เรื่องที่39สมรสแบบสมรัก 1. ความรักเป็นความต้องการทางร่างกายและจิตใจตามธรรมชาติของมวลมนุษย์สามัญชนน้อยนักที่จะหลีกเลี่ยงได้จุดหมายของความรักคือการแต่งงาน 2. ชีวิตร่วมสร้างครอบครัวและหมายปองความสุขสดชื่นชั่วนิวรัน 2. เมื่อความรักฟักตัวเต็มที่แล้วหนุ่มสาวย่อมจะเข้าสู่พิธีสมรสตามประเพณีนิยมแน่ละในชีวิตของหนุ่มสาวนั้นพึ่งจะเริ่มหาไรายได้แต่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินมากเพื่อได้ประกอบพิธีอย่างมีหน้ามีตาเขาจะทำอย่างไรทางออกคือการวิ่งหากู้ยืมเงินคนอื่น ซึ่งส่วนมากมักต้องเสียดอกเบีย้ยแพงๆนี่ก้อนนี้นี่แหละที่เรียกว่าหนี้สมรส 3. ทั้งสองได้ประกอบพิธีสมรสสมตั้งใจโดยนำเงินกู้รายนั้นไปจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งตัวชุดวิวาการรับรองแขกเลี้ยงพระและเลี้ยงแขกทั้งนี้ไม่รวมค่าสินสอดทองมัน่น และคเครื่องเรือนด้วยเมื่อวันสมรสอันสดชื่นผ่านไปแล้วสองผัวเมียก็เริ่มเจียดรายได้ประจำออกผ่อนใช้หนี้ในระยะแรกก็ใช้ต้นปนดอกซึ่งเป็นวิธีการที่ดีต่พอเวลาผ่านไปราวหนึ่งปีภระระยาจะเริ่มตั้งท้องและคลอดบุตรทั้งคู่มักจะจำเป็นต้องหางยืมเงินคนอื่นสักก้อนหนึ่งมาใช้ในการนั้น ลูกตัวร้อนเมียไม่สบายผัวปวดท้องลูกคนที่สองที่สามที่สี่ก็ทยอยกันมาอุปัรรคเหตุภายในครอบครัวก็มักจะมีมาเป็นครั้งเป็นคราวอีกด้วยและนั่นก็หมายถึงว่าครอบครัวจะต้องเที่ยวหยิบยืมเงินคนอื่นมาใช้รายแล้วรายเล่าแล้วก็เจียดรายได้อันจากัดของตน ส่งเจ้าหนี้ที่แรกๆก็ใช้ต้นปนดอกแต่พอลูกออกดอกกลับทบต้นการสมรสด้วยหนี่นั้นจึงเป็นการสมรสแบบจำหนองรักถ้าแก่ไม่ดีบางทีก็รักหลุดเอาจริงๆ4่มรสุมรักจะเริ่มตั้งเขาขึ้นในครอบครัวราวต้นของปีที่สนับแต่ ปีแต่งงานภรรยาจะกลายเป็นคนปักจัดและสามีก็เป็นคนเจ้าอารมณ์การใช้นี่สมรสมักจะล่าช้ากว่าที่คิดไว้เดิมเสมอในการวิจัยครอบครัวที่มีปัญหายุ่งยากเป็นการส่วนตัวระหว่างปี2499ถึง2504ตัวเลขนี่สมรสของ84ครอบครัว เฉลี่ยแล้วปรากฏผลดังนี้เงินเดือน400กู้เข้ามา3 0 0พันใช้นี่4ปีเงินเดือน700กู้เข้ามา 5,000 ใช้นี่6ปีเงินเดือน 1,000 กู้เข้ามา 6,000 ใช้นี่3มปี 5. น้าบัตนี้ปรากฏเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการสมรถแบบจำนองรัก เป็นวิธีการที่ไม่ปลอดภัยในยุคนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเสนอว่าเราควรจะเลิกการสมรสแบบนิสียแล้วหันกลับไปใช้วิธีสมรสแบบสมรักของไทยเราตั้งแต่ดั้งเดิมเพียงดัดแปลงให้เหมาะสมกับกาะละเทศะโดยที่เราจะรักษาคำหนบประเพณีและพิธีทางศาสนาไว้ให้ครบด้วย 6. พิธีสมรสแบบสมรักนั้นจะต้องเริ่มด้วยการเสียสละตัดสิ่งฟุ่มเฟือยออกเสียให้มากที่สุดที่จะทำได้ชุดวิวาก็ไม่จำเป็นเพราะเป็นการถ่ายแบบเครื่องแต่งตัวหญิงพรหมจารีในลทัทธิยิวเท่านั้นแต่งตัวสุภาพอย่างไทยๆดีกว่าของชํำรวยไม่จำเป็นเลยน้ำอัดลมก็ไม่จำเป็น ที่เจ้ามาใช้รับแขกการทุ่มเทเลี้ยงเพื่อนฝูงวันสมรสควรเลิกเสียไม่มีเหตุผลนั่นใดที่ใครๆจะตำหนิคู่สมรสที่ไม่เลี้ยงอย่างเอืกเริิกเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาเพิ่งเริ่มตั้งตัวในวันนั้นจะต้องไปกู้เงินคนอื่นมาเลี้ยงเรา 7. พิธีสมรสแบบสมรักมีหลักปฏิบัติสังเกตดังนี้ และนี่สมมติว่าเจ้าบ่ามีรายได้500บาทต่อเดือนลำดับที่1ไว่ายบรพรพบรุษและญาติผู้ใหญ่จ่าย150บาทลำดับที่สองจัดที่บูชารับแขกตอนรดน้ำจ่าย200บาทลำดับที่สรุงขึ้นใส่บาทพระที่นาบ้านจ่าย50บบาทไปจดทะเบียนสมรส ไปโบสถ์จัดเครื่องสการะและทยทานพระสวดอวยพรหนึ่งร้อยบาทรวมทั้งสิ้นห้าร้อยบาทผู้มีรายได้มากอาจขยายขึ้นตามส่วนแต่ควรยึดหลักว่าค่าใช้จ่ายในงานสมรสนั้นต้องไม่เกินรายได้หนึ่งเดือนของเจ้าบ่าวแกองทุนสมรองตามที่กล่าวแล้วในข้อสาม จะเห็นได้ว่าหลังจากแต่งงานแล้วยังจะมีอุปเทวเหตุให้ครอบครัวต้องจ่ายเงินก้อนอยู่อีกโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถ้าครอบครัวไม่มีทุนสำรองไว้เลยก็น่าจะตกเป็นลูกหนี้คนอื่นอีกอย่างไม่มีปัญหาแต่ตามตัวเลขที่รวบรวมได้ด้วยระยะนานพอควรปรากฏว่าส่วนมากของอุปเทวเหตุในครอบครัว ต้องใช้เงินราว2 0 0พบาทเป็นอย่างมากน้อยรายที่จะเกิด น, นี้ดังนั้นครอบครัวทุกครอบครัวควรจะสะสมทุนสำรองไว้อย่างน้อย 3,000 บาทอย่าให้ขาดเงินก้อนนี้ควรฝากออมสินไว้โดยเมื่อเริ่มรักก็เริ่มช่วยกันสะสมและไม่ควรแต่งงานก่อนจะมีกองทุนสำรองครบ3 0 0พเป็นนันขาดเงินก้อนนี้ห้ามหมุน ห้ามให้กู้ห้ามถอนมาใช้ในกิจการสามัญเป็นอนขาดเงินทุนสำรอง3า0พันบาทนี้จะเป็นหนึ่งเทพเจ้าคอยปรับอารมณ์ของสามีภรรยาให้ราบรื่น อ, อยู่เสมออาจมีค่ามากกว่าสินสอดทองมั่นเป็นไหนๆเลยด้วยซ้ำเพราะทั้งคู่จะลงนามฝากด้วยกัน 9. ของขวัญสมรสเวลานี้เป็นเรื่องเดือดร้อนทั้งแก่ผู้ให้ และผู้รับผู้ให้ร้ายหนึ่งรายหนึ่ ง, งต้องซื้อของราคา 40-50 บถึงาบาทห่อเป็นกล่องใหญ่โตกลองเป็นภูเขาแต่เมื่อเปิดออกจะพบว่าเป็นของที่มีประโยชน์แก่ครอบครัวไม่เท่าไหร่ซ้ำๆกันเสียมากยิ่งนานวันเข้าของขวัญแบบพรางตายิ่งมากขึ้นข้าพเจ้าจึงใครเสนอว่า ควรจะงดการให้ของขวัญแบบพลางตานิเสียหันกลับไปใช้วิธีเพิ่มทุนสำรองให้แก่ครอบครัวใหม่ของเราจะดีกว่านั่นคือให้เงินหรือเพื่อความเพลิดพริงของงานอาจให้บัตรแทนเงินเช่นสลากออมสินก็ได้มาตรฐานทั่วไปควรจะเป็นรายละ20บาทเท่านั้นโดยวิธีนี้ถ้าเชิญแขกห0 0อคน ครอบครัวใหม่ของเราก็จะมีทุนสำรองถึงหนึ่งหมืนบาทเป็นหลักประกันสันติสุขของเขาอย่างมั่นคงตลอดชีวิตหนุ่มสาวจะทำพิธีสมรสแบบสมรักได้ด้วยการเสียสละแต่การเสียสละก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความรักแท้อยู่แล้วดังนั้นคุณก็คงจะเข้าสู่พิธีสมรสแบบสมรักได้ทางสงบจบ